การจะหาจิตผู้รู้เนี่ยเราไม่หอาตรงๆอยากรู้จากจิตผู้รู้เราต้องจักจิตผู้หลงก่อนจิตผู้หลงเนี่ยก็คือจิตที่มันเวลามันไปดูนะจิตมันหลงได้หกทางทางต า, ง า, งางหูจมูกลิ้นใจใจเวลาดูก็หลงดูเวลาฟังก็หลงฟังเวลาได้กลิ่นก็หลงกับกลิ่นเวลาได้รสก็หลงกับรสเวลาสัมผัสทางกายหลงกับสัมผัส เวลาคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยหลงไปกับความคิดนึกปรุงแต่งยกตัวอย่างการหลงทางตาเช่นเรามองเห็นคนเดินมาเรามองดูเขาใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาเราลืมตัวของเราเองนะอย่างนี้เรียกหลงหลงดูหลงทางตาหลงเป็นไหมเคยไหมเคยเป็นไหมเวลาดูคนอื่นเนี่ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาเนี่ยนะอย่างนี้เรียกหลงทางตา หลงทางใจก็คือเวลาเราคิดอะไรนี่ใจเราหลงไปอยู่กับความคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดหมดเลยนะคิดอะไรก็รู้เรื่องหมดเลยแต่ว่าเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจเวลาหลงดูเราก็รู้ว่าดูอะไรเห็นคนเห็นแมวเห็นม้านะรู้จักหมดะแต่ลืมตัวเองทำยังไงจะไม่ลืมตัวเอง ให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปถ้าเรียนตรงนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติธรรมที่ยุ่งยากซับซ้อนจะง่ายที่สุดเลยนะเพราะการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ได้มีอะไรนะพวกเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวไม่หลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้กายรู้ใจได้ถ้าเราลืมตัวเองเราก็ลืมกายลืมใจรู้กายรู้ใจไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็คือไม่ได้ปฏิบัติธรรม ทำไมถึงบอกว่ารู้กายรู้ใจคือการปฏิบัติธรรมเพาะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นท่านสอนบอกว่าอยากบรรลุมรรคผลนิพพานนะต้องเดินตามหลักกิตในอริยสัจสี่หลักของกิตในอริยสัจสี่นะสาคัญทิ้งไม่ได้ถ้าพวกเราไม่เข้าใจหลักอันนี้เราจะปฏิบัติคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่เราจะไปหลงโยมนั่งจริงก็ได้นะถ้าใครเขาไม่ดีนั่งก็อี้ได้นะ หลักของกิตแนวริยศาสต ร, รยย์ท่านสอนบอกว่าทุกเนี่ยให้รู้สมุทัยคือความอยากเนี่ยให้หละซะทุกก็คือกายกใจนี่แหละท่านบอกว่าว่านโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือทุกก็คือกายกใจเรานี่แหละเป็นตัวทุกขหน้าที่ก็คือให้คอยรู้กายรู้ใจไว้เราจะรู้กายรู้ใจได้ถ้าเราไม่ลืมตัวเองไม่เผลอถ้าเผลอก็มวัวแต่รู้ความคิดไม่รู้กายไม่รู้ใจ จิตใจมีความสุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้ ก, กิเลสอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นี่เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติเช่อยากปฏิบัติก็ต้องรู้สึกตัวอย่าใจลอยอีกนะอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปนั่งเท่งนั่งจ้องพวกเราชาววัดป่าพระวัดป่าชอบทําสมาธิมากเลยทําำจับจิตจับใจหลวงปู่มั่นสอนว่าสมาธิทํามากแล้วเนิ่นช้า สมาธิเป็นการพักผ่อนสมาธิไม่ใช่การทำงานอย่างเรานอนพักทั้งวันเลยแล้วเราหวังว่าจะรวยไม่รวยหรอกเราทำสมาธิมากเราหวังว่าจะเกิดปัญญานี่ไม่เกิดหรอกปัญญาเกิดจากความขยันเหมือนทรัพย์สมบัติเหมือนกันเกิดจากความขยันทำมาหากินปัญญานี้เกิดจากการขยันมีสติรู้สึกตัวไว้รู้กายรู้ใจไว้ถ้าเราเห็น จิตใจตัวเองได้เรื่อยๆนะเศ้ารู้กายรู้ใจได้เรื่อยเราจะรู้ว่าร่างกายก็ไม่เที่ยงจิตใจก็ไม่เที่ยงร่างกายเราเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนร่างกายก็ไม่เที่ยงจิตใจก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็รู้ตัวชัดเดี๋ยวก็เคลิ้มเดี๋ยเป็นอย่างนั้นเดี๋ยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ทยังไงจะรู้สึกตัว รู้สึกตัวไม่ใช่การนั่งเพ่งนั่งเพ่งก็หลงนะนี่หลงเพ่งนะหลงคิดรู้ออกไหมไหมเราทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเติมคาว่าหลงเข้าไปแห้งหน้าได้หมดเลยเพราะเราทำโดยไม่รู้ไหนะพยักหน้าเนี่ยรู้ไหมหลงพยักหน้านะ <c oughs> ทําไงจะรู้สึกตัวอยากรู้สึกตัวก็อยากใจลอย อยากรู้สึกตัวยาวแต่นั่งเพ่งให้ใจนิ่งๆการนั่งเพ่งให้ใจนิ่งๆเป็นการพักผ่อนพักผ่อนมากๆไม่รวยหรอกจเจริญปัญญาลูกเดียวเลยไม่รู้จักพักเลยก็ไม่ไหวเหมือนคนทำงานแล้วไม่รู้จักพักนะก็ไม่ไหวเหมือนกันนันต้องทำทั้งสองงานแหละทำสมาธิเพื่อพักผ่อนแล้วก็มาจเจริญปัญญาด้วยการรู้สึกตัว การของอินทร์สอนบ้างไหมตอนให้รู้สึกตัวบ้างไหมตอนมีสติไหมตอนทํามยังทําไม่ไมเป็นอ่ะือ <c oughs> เราทําแต่สมาธิกันเนาะ <c oughs> แต่ง่วงหนะ่ะวันนี้นะวันนี้เรียนยากวันนี้เหนื่อยจะ <c oughs> นอนสักคืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้มีแรงเรียนให้ดูเรื่อง <c oughs> เรียนลําบากนิดนึงมอนเหนื่อย เพราว่าเรียนตัวยากนะครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยยอมสอนกันส่วนรากก็สอนน่าพุโทโธไปอะไรเงั้นไปไก่ลอยทราบไหมไก่หนีแว บ, บไปรู้ทันหนีไปแล้วนะหลงคิดเนี่ยนี่หัดรู้สึกอย่างเงี้ยหัดรู้ทันนะจิตใจเราแอบไปทําอะไรเรารู้ไม่คิดเราดูเข้าดูไหมดูเข้าใจเราไปอยู่กับเขาเงี้ยนี่เรืหลงดู เห็นไหมนี่หลงอะไรเห็นไหมลืมตัวเองดูออกไหมเห็นแต่คนอื่นดูคนนั้นทีคนนี้ทีลืมตัวเองนี่แหละเรียกว่าขาดสติละ ว, วิธีมีสติก็คือจิตเราหนีปุ๊บไปรีบรู้ไวๆนะห้ามไม่ให้หนีไม่ได้นะมันแวบบมันจะแวบบแวบบแวบบเนี่ยมันแว บ, บไปทางตาแวบบไปทางหูแวบบไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจส่วนใหญ่แว บ, บทางใจสังเกตไหม แว บ, บทางใจนี่อันดับหนึ่งเลยแวบบทางตาเนี่ยอันดับสองทางหูอันดับสามแวบบทางลิ้นเนี่ยต้องแว บ, บตอนทานข้าวไปนะทานข้าวแล้วท่านใจลอยมันก็ไม่หลงทางลิ้นนะมันก็หลงไปทางใจบางคนไม่ฉลาดบางคนไปทานข้าวนะร้านอาหารอร่อยอร่อยแพงแพงมีนักร้องด้วยนักร้องก็ร้องเพราะแม้อาหารก็อร่อยพวกนี้ขัดทุนนะ เพราะในขณนะที่ฟังนักร้องเนี่ยจะไม่รู้รสอาหารในขณนะที่รู้รสอาหารเขาไม่ได้ยินเขาร้องเพลงจิตมันรู้ได้อย่างเดียวนี่นเราคอยรู้สึกไว้เดี๋ยวมันก็หนีไปทางตาเดี๋ยวมันหนีไปทางหูเดี๋ยวมันหนีไปทางใจไหมหนีไปละอือโยมมัน <c oughs> หนีไปละรู้ไหมหนีไปใจไปอยู่กับนาฬิกาเห็น oh <my> ไหมดูออกไหมว่าใจวิ่งไปอยู่กับนาฬิกา เนี่ยหลงไปทางตาเนี่ยเรียนต้องเรียนให้ได้อย่างนี้นะกรรมาฐานถ้าเรียนอย่างนี้ไม่เป็นตังค์คไม่เป็นหรอกได้แต่รูปรูปคำคำไม่ดึง<ม><ม>ให้รู้ทันห้ามดึงนะปล่อยอะไรเกิดก็ช่างมันให้สักว่ารู้สักว่าเห็น่ะเ<ม>พราะอะไรพระพุทธเจ้า บ, บอกให้รู้ทุกใจหลงไปดูนาฬิกาท่านไม่ได้สอนบอกว่าพอรู้แล้วให้ดึงคืน รู้ลูกเดียวนะอยากดึงคืนก็คือสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อยากเอาคืนในทุกข์นะใรจะแน่นขึ้นมาทันทีเลยฟังกานารย์ต้องทนนิดนึงนะฟังยากฟังยากที่ยากเพราะเราไม่ค่อยได้ฟัง น, นั่งคิดทราบไหม ใ, หใจหลงคิดนะเราค่อยรู้ทันมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิด ไม่ต้องสนใจเลยว่ามันคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่ามันแอบไปคิดนะไปดูอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่ามันดูใจสงสัยทราบไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยสงสัยแล้วยิ่งคิดใหญ่นี้ถูกหลอกนะสงสัยไหมรู้ลงไปในคิดในใจของเราใจลอยทราบไหมหนีแวบบ นี่หัดต้องหัดให้ได้อย่างนี้นะถ้าหัดได้อย่างนี้เรารู้สึกตัวเป็น ร, รู้ทันจิตของเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้ทันเนี่ยเรานับถอยหลังได้ลนะเคยได้ยินสติปัฏฐานสี่ที่ท่านสอนไหมผู้ดใดเจริญสติปัฏฐานเนี่ยบางคนเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องรู้ทำเห็นทำมีสติแล้วแล้วก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องรู้ทำเห็นทำยกเว้นพวกพระโพ ธ, ธิสัตว์นะ แต่ใจลอยอย่างนี้ไม่รู้นะใจลอยเด็ดชาิก็ไม่รู้ดูออกไหมหนีแวบแวบห้ามไม่ได้ไม่ห้ามนะไม่ห้ามเพราะอะไรเพราะจิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาท่านเลยไม่ได้สอนบอกว่าจงห้ามอย่าให้จิตหลงไปดูพระไตรปิฎกจะไม่มีคำนี้เด็ดขาดไหมไม่มีคำว่าห้ามหลงห้ามเผลอไม่มีนะ หนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยหัดอย่างเงี้ยจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดนะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าเผลอไปแล้วหลงไปแล้วเนี่ยหัดรู้สึกไปรู้สึกไปเรื่ยทันทีที่เรารู้สึกตัวเนี่ยกุศลจะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะอกุศลถูกละไป เ, เรียบร้อยแล้วในขณะที่เราใจลอยเนี่ยจิตเรามีอกุศล น, นะจิตมีโมหะมีความหลงใจลอย ทันทีที่รู้ว่าใจลอยจิตมีกุศลเรียบร้อยแล้วจิตรู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็จริงเป็นอโมหะเป็นตัวปัญญาเพราะฉะนั้นเรารู้สึกตัวได้มากๆก็คือจิตเรามีกุศลกุศลไม่มีหนีวิคิดทราบไหมเอ้าหลงแล้วรู้ไหมดูออกยังว่าหลงเป็นยังไงนะนี่หัดไปนี่หัดรู้ไปหนีแวบแวบไปนะ ถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะแวบยาวเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยถ้าเรารู้ทันมันจะแวบแวบแวบไปเรื่อยนะเดี๋ยวแว บ, บไปทางตาเดี๋ยวแว บ, บไปทางหูเดี๋ยวแว บ, บไปทางใจครนะูบาอาจารย์มัสตาสอนไปก่อนเน้ น, เ, น, นเรื่องความรู้สึกตัวมากหนะลวงปู่มั่นสอนถึงขนาดบอกว่าถ้ามีสติคือรู้สึกตัวก็คือมีการปฏิบัติขาดสติอยู่นะก็คือขาดการปฏิบัติ เราอุตส่าห์นั่งสมาธิทั้งคืนเลยอุตส่าห์เดินตรงกลมทั้งคืนเลยไม่เรียกว่าปฏิบัตินะถ้าเดินแล้วใจลอยไม่เรียกว่าปฏิบัติถ้านั่งสมาธิเราเคลิ้มไม่เรียกว่าปฏิบัติเพราะเราไม่มีสติหวลวงปูม่ม่นสอนมีสติคือมีความเพียรมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดความเพียรนีสติที่เรียนยากใจเราหนีแวบแวบมันเผลอทั้งวัน การที่รู้ทันว่ามันเผลอลนั่นแหละเรียกมีสติเรารู้ทันว่ามันเผลอมันก็ไม่เผลอแตมันอยู่ได้ประเดียวเดียวเดี๋ยวก็เผลอใหม่เผลอใหม่ก็รู้สึกเอาใหม่เดีย๋ยวไปนั่งเพ่งเอา น, นะอย่าทลำ้ำลงไปมาจากไหนคนนั้นเคยมาไหมมากับใครเมืม่อใครพามามพวกอะมาจากสํานักไหนล่ะคนนี้ วันนี้มีแต่ชาววัดป่าเนาะถ้ามาแนวเดียวกันอย่างนี้ก็สอนง่ายโอ้ถ้ามาหลายหายสำนักสอนยากหลวงพวิธียังสอนหายใจหายใจเป็นยัง <S 2> <S 2> <S ไม่เป็นจะตายแต่ต้งเกิดแหละหายใจเป็นมานั้องไปเกิดแล้วนะงั้นหายใจไปก็รู้สึกตัวไปหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัว นี่เรียกว่าอาณาปานาสติมีสติรู้ลมหายใจหายใจเข้าเคลิม้มหายใจออกเคลิมไม่เรียกว่าอาณาปานาสตินะเรียกว่าอาณาปานาขาดสตนะิหายใจให้มันมีสตนะิเราหายใจเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ต้องให้ใครสอนหายใจหายใจเรารู้สึกตัวอยากใจลอยสัง เ, เกตนไหมว่าพวกเราพอฟังฟังนะเราว่าเข้าไปคิดใช่ไหม ฟังหน่อยหนึ่งแล้วไปคิดยาวๆเป็นเหตุไหมดูหน้าแตมาแว็บหนึ่งฟังเสียงหน่อยหนึ่งแล้วก็เข้าไปคิดยาวๆเนี่ยจิตมันเกิดดับจิตเกิดทางตาจิตเกิดทางหูแล้วก็จิตก็เข้าไปเกิดอยู่ทางใจเกิดทางตาเกิดแว็บเดียวเกิดทางหูเกิดแว็บเดียวเกิดทางใจให้เกิดยาวใจลอยแล้วรู้ไหมอย่าบอกนะลูกศิษย์อาจารย์วิหรือยัง เดี๋ยวท่านจะเปียวเอ้าใจลอยอีกคนนะรูปปิดอาจารย์ทองอินหน้าไม่ต้องหันไปไหนอ่ะเนี่ยพอฟังสังเกตไหมพอฟังแล้วก็แอบไปคิดฟังแล้วก็ไปคิดตอนฟังเราไม่รู้ว่าฟังเรียกว่าหลงฟังตอนคิดไม่รู้ว่าคิดเรียกว่าหลงคิดอทํายังไงเวลาดู จะสักว่าดูเวลาฟังสักว่าฟังเวลาคิดสักว่าคิ ด, ดคือไม่หลงนะนะใจเราไม่ถล่มเข้าไปไม่หลงเข้าไปรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แม้หนีไปคิดอีกละวราบไหมนี่เรียกหลงคิดนะนี่ก็คิดเหมือนกันทราบไหมคิดแล้วใจลอยด้วยเ <c oughs> นี่ยหัดรู้สึกไปนะยากนิดนึงนะแต่ยอมยากซะวันนี้ดีกว่า ถ้าไม่เรียนไว้วันนี้ต่อไปก็ยากอีกแหละนะไปเจอพระสีอานก็ยังเรียนยากอีกทนทนฟังพระตั้งแต่วันนี้นะบรรลุมรคผลไปเลยก็ดีเกิดไม่บรรลุไปเจอพระสีอานมาฟังพระสีอานนิดๆหน่อ ย, อยๆก็บรรลุและเคลื่อนเจริญสติเราไม่หัดเจริญสติเน้ะลําบากฟังสารวัตรยาวถ้าใจหนีคิด ต้องระวังนะไอ้ที่ติดต่อนะส่วนมากสมาธินะสติจะไม่ค่อยติดต่อโดยธรรมชาติมันจะเกิดแวบแล้วดับแวบแล้วดับนะไอ้ที่นั่งอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันนี่สมาธิคนละอันกันนะสติเนี่ยเป็นตัวที่ว่องไวแปดเปรียวคิตเราเคลื่อนไหววับแวบวับแวบนีบ่รู้ทันหมดนี่สติถ้าดูแล้วนิ่งนิ่งลูกเดียวนี่สมาธนะิคนละอันกัน ธรรมะคนละชนิดกันได้ได้ต้องมีสตินะ<ค>นเออทำอะไรต้องรู้ <คน S 2> อ, อไม่ใช่รู้ว่าหยิบอะไรนะมีบางคนมาเรียนจากอาตมานะพอมาเรียนอยู่สองสามวันแล้วก็สรุปดีฉันเข้าใจการปฏิบัติแล้วถามว่าทำยังไงปฏิบัติเวลาเรามองเห็นพัดลมเรารู้ว่าเราดูพัดลมอยู่นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ ไม่ใช่รู้ว่าดูพัดลมนะเรารู้ว่าเราดูอยู่ต่างหดูพัดลมนี่เป็นสมมุติบัญญัติหลงออกไปแล้วหลงว่ามีพัดลมที่แท้มันก้อนธาตุพัดลมนี่ความคิดของเราคาว่าพัดลมเรียนยาการสมาิต้องอึดๆหน่อยนะั้งพนเรียนยากแต่ถ้าเข้าใจแล้วการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวเลย จับแก้วเัว้นหลงแล้วลงแล้วรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายนะรู้ว่ามือเคลื่อนไหวรู้ว่าจิตเคลื่อนไหวคือรู้ว่ากายไหวรู้ว่าจิตไหวนะไม่ใช่รู้ว่าหยิบแก้วนะหยิบฝาเนี่ยนี่คิดเอาทั้งนั้นลองดูสิที่ตามมองเห็นคืออะไรที่ตามมองเห็นในรูปกลมๆลมหมแต่ความคิดของเราอะสัญญาคิดบอกว่าเนี่ยฝา ตามไม่ใช่ของจริงนะสิ่งที่ตา ม, มองเห็นจริงๆคือรูปเท่านั้นเองส่วนรูปถ้วยน้ำรูปเทปรูปไมโครโฟนอะไรนี้มี่ความคิดของเราค่อยๆเรียนนะเห็นไม่ใช่สติคือรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวถ้าสติรู้ว่ามือเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเนี่ยความคิดคำว่ามือเคลื่อนไหวเนี่ยความคิด สงสัยทราบไหมสงสัยรู้ไปสิรู้ไปที่ความสงสัยดูว่าความสงสัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูตรงนี้การปฏิบัติเราดูลงไปในกายในใจดูให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงหนีไปคิดทราบไหมทีแรกก็หนีคิดถัดมาใจลอยไปเลยคิดอะไรก็ไม่รู้เนี้ยรู้ทันมันรู้ลงไปรู้ลงไปก่อนหลวงปู่สิมก็สอนอย่างนี้นะไม่ใช่ประหลาดอะไรทำไมก่อนไ่เรียนกับหลวงปู่สิม ลงเผลอแว บ, บหนึ่งท่านจวกเราเลยนี่เป็นไงเผลออะไรอีก <c oughs> รู้ตัวแวะอย่าลงไปในความคิดนะรู้สึกตัวใครรู้สึกไปเรื่อยๆนะอย่าให้ลงไปนอนแช่นิ่งๆไม่ดีอย่าไปทำใจให้นิ่งๆ น, นะไม่ก้างนั่งจ้องให้มันนิ่งปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไป สังเกตไม่ว่าใจเราเริ่มนิ่งเมื่อกี้ไม่นิ่งตอนนี้นิ่งดูออกไหมดูไปไอ้ไม่นิ่งก็ไม่เที่ยงไอ้ที่นิ่งนี่เริ่มไม่เที่ยงแล้วเนี่ยดูลงไปตรงนี้ไม่ใช่ทำให้นิ่งนะทำให้นิ่งเป็นสมถะถ้าเห็นว่านิ่งก็ไม่เที่ยงไม่นิ่งก็ไม่เที่ยงเออค่เป็นวิปัสสนาหน่อยนั่นใจลอยแล้วพอจะเข้าใจไหเห็นไหมไม่ยากหรอกบอกว่าไม่ยาก แต่สังเกตไหมว่าเราบังคับไม่ได้เขาจะใจลอยแวบแล้วตอนที่จะรู้ทันก็ไม่ได้เจตนารู้ถ้าเจตนารู้จะเป็นของเจเลยเห็น ไ, ไหมหนีไปคิดอีกแล้วต้องรู้ทันเห็นไหมหลงไปอีกแล้วรู้ให้ทันรู้ให้ทันไวๆไม่ต้องทำอะไรทันทีที่รู้ทันเนี่ยความคิดนึกปรุงแต่งจะดับสังเกตไหม พอเราเผลอๆเราก็คิดไปพอเรารู้ทันว่าเผลอเพราความคิดนึกกลุงแต่งขาดถ้าความคิดนึกกลุงแต่งดับไปปั๊บเรารู้ลงในกายในใจของเราเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเมื่อไร่เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราอย่างแจ่มแจ้งนะสักกายทิฏฐิจะขาดทันทีเลยก็จะบรรลุพระโสดาละ่ะพระโสดาบันละสักกายทิฐิคือละความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจคือตัวเรา ไม่เอาอย่างนั้นแล้วจะดูอะไรไม่มีกายไม่มีใจเรจิตรู้จิตดูว่าจิตเที่ยงไม่เที่ยงนะอย่าไปพอใจให้มันนิ่งถ้ามันนิ่งนดูลงเป็นใจรักไว้นะปลอดภัยจะไปเอานิ่งนั่งไปเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีกายนะได้อัปปนาจิตมัเข้าถึงอัปปนาสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิมาก็มาทุกข์อย่างเก่าหรือไม่ก็ขี้โมโหยิ่งกว่าเก่าอีก พวกเข้าสมาธิเยอะๆพอออกจากสมาธิขี้โมโหยิ่งกว่าเก่าใจลอยนละ้วพยายามรู้สึกตัวไปสักยัยทิถิคือความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเราจระละจะได้ก็ต้องเห็นให้ถูกว่าไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าสร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราได้นะี่ต้องรู้ตัวเป็นพอรู้ตัวเนี่ยความคิดนึกปุงแต่งขาดไป พอความคิดดับไปแล้วรู้กายกายก็ไม่ใช่เรารู้จิตจิตก็ไม่ใช่เรานะเพราะมันเป็นเราขึ้นมาเพราะความคิดถ้ามันหลงจิตเหมือนอย่างตะกี้ที่อาตมาบอกตนะามองเห็นไอ้นี้ยรูปร่างอย่ยงเนี้ยแต่ใจคิดบอกว่าเป็นฝาฝาถ้วยน้ำํำนะความคิดเนี่ยมันบังของจริงนะร่างกายจิตใจเนี่ยโดยตัวมันเองไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้ว แต่ความคิดเนี่ยมันไปทำให้คิดว่าเป็นตัวเราถ้าเมื่อไหร่รู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวความคิดจะดับความคิดจะขาดไปถ้าเผลอๆความคิดก็ยาวรู้สึกตัวความคิดขาดหลนะวงปู่ดูลสอนอยี่บอกว่าเมื่อสังขารขันดับจะได้คือความคิดนึกปรุงแต่งดับจะได้ความเป็นตัวตนจะไม่มี หรือพระพุทธเจ้าสอนท่านตาผาหิยาเมื่อใดสักว่าเห็นนะเห็นก็สักว่าเห็นฟังก็สักว่าฟังคิดก็สักว่าทราบเมื่อนั้นท่านย่อไม่มีคือไม่มีตัวตนตถ้าสักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วก็ไม่ได้คิดนี่เมื่อไม่ได้คิดแล้วก็ไม่มีตัวตนถ้าคิดเมื่อไหร่ก็มีตัว ต, วตนเมื่อนั้นในคิดเกิดตอนเผลอนะความไม่คิดนึกปรุงแต่งเกิดอยู่ตอนที่รู้สึกตัวนั้นเราก็พยายามรู้สึกตัวบ่อยๆ พรู้สึกตัวบ่อยๆจิตไม่คิดไม่นึกอะไระแต่รู้อยู่นะไม่ไมขาดสติเรารู้ได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความคิดไม่ห้ามความคิดด้วยนะไม่ใช่ต้องดับความคิดความคิดก็ไม่ดับมันให้มันคิดไปแต่รู้ทันมั น, นรู้ว่ามันไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นสมมุติบัญญัดแตกปลอมเข้ามาพอรู้ทันว่านี่ส่วนของความคิดนี่ส่วนของกายของใจซึ่งเป็นของจริง คืออารมณ์ปรมัาทจะเห็นเลยว่าอารมณ์ปรมาทที่เราไม่ได้คิดเนี่ยคือกายกับใจไม่ใช่ตัวเราในฉับพลันนั้นเลยนะถ้าสติปัญญาทันเมื่อไหร่ก็ขาดกันตรงนั้นเลยถ้าไม่ทนันก็หลงคิดอีกรู้สึกไหมว้านี่กายเรานะกายเราจิตเรามีคราวหนึงอาจามาขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมชอบให้นั่งขัดเพชรจาได้ไหม <c oughs> อุ้ยทรมานนั่งขัดเพชรฟังท่านเทศ คนไหนขัดไม่ไหวท่านบอกให้ดูพระพุทธรูปสิขัดมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่บดเลยเรากเราไม่ใช่พระพุทธรูปใช่องค์นี้ขันราบนี่พอขึ้นไปแล้วท่านก็เรียกให้ขัดเพ็ดแล้วท่านก็เทศเทศเทศมีพี่คนหนึ่งเป็นรองผู้ว่าไปป้า ก, ากเกษียนะแล้วแค่ทนนะคนอื่นทนไม่ไหวแค่ทนได้ นั่งกฐามาของคนนั่งขัดเพชรพอหลวงปู่เทศจบหลวงปู่ก็บอกง่ายเป็นยังไงฟังธรรมะแล้วเป็นยังไงที่ท่านจะถามว่าฟังแล้วเข้าใจไหมพี่คนนั้นตอบเ <c oughs> มื่อยครับโอ้ฟังธรรมะแล้วเมือ่อยท่านถามบอกอะไรเมื่อยอ่ะขามันเมื่อยครับขามันเมือ่อยท่านถามอีกขามันบอกเลยว่าเมือ่อย ขาไม่ได้บอกว่าเมื่อยแกก็บอกเมื่อยครับเนี่ยขาของผมมันเมื่อยคือไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงปู่สอนหลวงปู่จะชี้ให้ดูความเมื่อยก็เป็นความจริงอันหนึ่งขาเม่เป็นธาตุนะขาไม่ได้เมื่อยหรอกนะถ้าดูให้ดีความเมื่อยเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่รูปความเมื่อยเป็นเวทนาโค้่านกันขาไม่เคยบ่นว่าเมื่อยเลยเพราะขาไม่เมื่อยความเมื่อยไปอยู่ในขา ท่านจะสอนให้หัดแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจของเราแล้วใครเมื่อยก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนอิริยาบทมันนั่งรถมาทั้งคืนก็เมื่อยแล้วละ่ะทำอะไรนะหลงหลงดูเข้าใจไหมหลงดูคือเราดูแล้วเราถลมลงไปเห็นไหมขนาดดูยังหลงได้เลยเพราะฉะนั้นที่เขาทำ ปฏิบัติกันนะเกือบร้อยละร้อยหลงนะหลงปฏิบัติจิตใจไม่ตั้งมั่นหรอกจิตใจถลําลงไปส่วนมากไปดูถูกสัมมาสมาธิล่าเลยที่จะเรียนเรื่องสัมมาสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นพอไปดูกายจิตก็ถลําลงในกายดูเวทนาจิตถล่าลงในเวทนาจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็หลงเข้าไปเลยนะหลงจิตทราบไหม หลงคิดทราบไปหลงคิดรู้ทันเห็เห็นไหมว่าตรงที่รู้ทันเนี่ยเหมือนเราตื่นขึ้นมัาเหมือนเราตื่นจริงๆที่ท่านเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นมันอยู่ตรงนี้เองตรงที่ไม่หลงนี่แหละเพราะฉะนั้นทําความรู้สึกตัวขึ้นบ่อยๆเราจะได้มีตัวรู้บ่อยๆตัวหลงมันจะได้น้อยๆ ม, มีตัวรู้บ่อยๆรู้ลงในกายกายก็ไม่ใช่เรารู้ลงในจิตจิตก็ไม่ใช่เรา ถ้ามีตัวหลงไปรู้กายกายก็กายเรารู้จิตก็จิตเราสองคนนั้นมาจากไหนลุ้ข้างหลังเลยเคยมาไหมแล้ว <Okay. S 1> นะใครแนะนำมาอย่าใจลอยนะสังเกตไหมใจลอยหนีไปเยอะเลยรู้สึกตัวให้ได้นะครูบาอาจารย์บางองค์พอแก่เท่ามากๆนะสอนเลย น, นิดเดียว ลงเข้าไปกราบนะท่านไปฟังธรรมะหลวงปู่ทาที่ปรับช่องอยุ่เก้าสิบกว่าเข้าไปหาท่านท่านก็บอกมีสติไว้เน้อเ้าไปกราบหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ท่านจะสอนมีสติไว้น ะ, นนะนนะยืนเดินนั่งนอนมีสติไว้ไปหาหลวงปู่เหรียญมีสติรู้จิตรู้ใจไปสอนเหมือนกันหมดแหละหลวงปู่เทศสอนเรื่องจิตจ็ตใจ จิตก็คือตัวที่หลงไปยึดอารมณ์ใจคือตัวที่ไปรู้เนี่ยถ้าเราหาความรู้สึกตัวไม่ได้เรายังไม่ได้แขนสาลของการปฏิบัติเราได้แต่สมาธินั่งทั้งคืนก็ได้ความอดทนเดินทั้งคืนก็ได้แต่ความอดทนนีไปคิดซับไหมเนี่ยอย่างเนี้ยพอเรารู้ทันนะมันจะตื่นขึ้นมารู้สึกไหมว่ามันตื่น เมือนลอตื่นขึ้นมานี่ต้องตื่นต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไหมตื่นบ่อยๆนะการตื่นนี่ยไม่ได้ทําด้วยสมาธิดูออกไหมแต่มันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันจิตใจของเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นใจใจพอเรารู้ทันก็เมันตื่นขึ้นเองนะการตื่นไม่ใช่เกิดจากการนั่งสมาธินะไม่หลับอีกแล้วหลับแล้วฝันหรือ ในโลกนี้นะมีแต่คนที่ตื่นแต่ตัวแต่ใจหลับนะใจฝันคือแอบไปคิดทั้งวันไหมจะทายังไงจะตื่นทั้งตัวตื่นทั้งใจถ้้ใจตื่นขึ้นมาได้ก็สัมผัสกับธรรมะได้ใจหลับอยู่ก็สัมผัสกับความฝันสัมผัสธรรมะไม่ได้นั่นฝันแล้วนะนี่หัดตรงนี้นะเข้าใจไหมดีดีมากฝึกได้เร็วนะสองท่านนี่เร็ว ก็เร็วหนี่ได้คิดแล้วทราบไห ม, มนี่รู้ทันคิดเรื่องอะไรไม่สําคัญสําคัญรู้ว่ามันแอบไปคิดนะคิดเรื่องอะไรเนี่ยสมมุติบัญญัติคําว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้สมมุติบัญญัติไม่มีสาระอะไรมีแต่เรื่องหลอกลวงรู้ทันว่าคิดเนี่ยรู้ทันสภาวะของจิตปรมั m a t จิตมันคิดแั่งเขียนไว้ว่าห้ามไม่ได้ มันจะเผลอเนี่ยห้ามไม่ได้มันจะหนีวิคิดห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ได้เรียนเพื่อจะห้ามด้วยแต่เราจะเรียนเพื่อรู้ความจริงว่ากายกระใจนี้เป็นของที่บังคับมันไม่ได้เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้การรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะมนะันคือการรู้ความจริงว่าขันห้าหรือกายกระใจเนี่ยเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกให้บังคับได้นะ นี่เรามีสติเราจะเห็นเลยว่าอ้าเดี๋ยวเขาก็รู้สึกตัวเดี๋ยวเขาก็หลงเดี๋ยวเขาก็วิ่งไปดูเดี๋ยวเขาวิ่งไปฟังเดี๋ยวเขาวิ่งไปคิดนะห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้เห็นไหมหนีไปหาหนีไปหารือว่าหนีไปนะไม่ห้ามไม่วิาพากวิจารไม่ห้ามมันนะเรียนตรงนี้ได้เดียวเราก็จะได้แข่นสารของการปฏิบัติในเวลานิดเดียวเลย นะเรียนตรงนี้ไม่ได้นะทำอีกกี่ชาติก็ไม่ได้ได้แต่สมาธิอ่ะตื่นตื่นได้นะ้นะใจสงสัยรู้ว่าสงสัยนะสงสัยแล้วไม่ใช่คิดเอาหัดรู้ทันมันเข้าไปตรงตรงลองดูไปเรื่อยๆนะจิดมันจะไปดูก็ห้ามมันไม่ได้มันจะไปฟังก็ห้ามมันไม่ได้ มันจะคิดก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเผลอก็ห้ามไม่ได้มันจะรู้สึกตัวก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับจิตที่เผลอเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเฮ้มีแต่เกิดกับดับบังคับไม่ได้ถ้ารู้ของจริงลงไปสักจะทิฏฐิจะได้ขาดไวไวใจมันนิ่งทราบไหม มันนิ่งแล้วมันเพลิอนออกไปรู้ไหมนะต้องให้รู้ทันมันนะมันนิ่งรู้ว่านิ่งการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ใจนิ่งจิตมีสมาธิรู้ว่ามีสมาธิจิตไม่มีสมาธิรู้ว่าไม่มีสมาธินี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ต่างหากจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะ รู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเสื่องซึมรู้ว่าเสื่องซึมรอฟังทราบไหมรอรู้ว่ารอเลยดีนะดี <c oughs> <c oughs> มันเกิดไม่ได้เพราะมันหลับอยู่ อืมนะทีที่ถึ่นเนะอันนี้ทำไปแล้วนับไยหลังไปนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีรู้สึกบ่อยๆไม่เอานะฝันลนะอย่าฝันนานฝันนิดๆหน่นนอยๆฝันทองงามปัญญาเกิดไม่ได้หรอกถ้าหลงอยู่เพราะว่าหลงคือโมหะโมหะนะตรงข้ามกับปัญญา ปัญญานี่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะไม่หลงเพราะฉ็นั้นต้องรู้สึกตัวครูบาอาจารย์วัดป่านี่เข้มงวดเรื่องความรู้สึกตัวมากแค่เผลอเราก็โดนดีเลยตอนหลังๆทำไมวัดป่ามันเป็นเรื่องสมาธิไปหมดก็ไม่รู้มีแต่เรื่องสมาธิคุณอมราสอนอะไรให้บ้างล่ะ <c oughs> อ ย, อย่าเจตนารู้นะเจตนารู้แล้วมันจะแข็งแข็งมันกลายเป็นว่าเรากลัวหลงเพราะเรากลัวหลงนี่เราจะปรึงความรู้สึกไว้กับร่างกายเออรู้สึกมเปยตัวแข็งแข็งตัวแข็งแข็งผิดแล้วร่างกายแข็งแข็งจิตใจแข็งแข็งผิดแล้วเพราะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีกายละหูตามีจิตระหูตาต้องเบานะมีกายมุตุตามีจิตมุตุตามีความอ่อนโยน มีกำมัญตาควรแก่การงานคือสามารถทำงานได้อย่างดีหมายถึงไม่หลงไม่เผลอแล้วมีปาคุณตาคล่องแคล่วว่องไวไม่ใช่จิตเสื่องซึมนิ่งๆอย่านิ่งนะาจานเป็นไงจานจุนโดนอีกสี่ครั้งนะนนแล้วทีนี้ลวเอาทำไมคุณชัชพรละเลยหรืออยู่บ้างแล้วรู้สึกตัวดี ไหมขยับนิ้วแต่ใจหนีหมั้ยไม่อยู่ที่นิ้วนะธรรมะอยู่ที่ใจถ้า ใ, ใจหนีไปแล้วก็หายไปเลยถึงยังขยับอยู่ยังยังง้นอย่างนี้อยู่นะก็หลงนะรู้ทันบ่อยๆนะรู้ไปมันหนีเก่งมันหนีมาตลอดในสังสารวัตรโอกาสที่จะรู้สึกตัวนะ่ะยากมาก ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงจะมาสอนเรื่องการเจริญสติพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาสอนเรื่องความรู้สึกตัวส่วนสมาธิถึงไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันอยู่แล้วนะหรือสี่ชีพายเขาก็สอนกันเพราะฉะนั้นเราเรียนเราอย่าไปหยุดอยู่แค่สมาธิอย่าไปหยุดอยู่แค่นิ่งนะต้องออกมาเจริญปัญญามาเฝ้ารูนะ้ว่านิ่งก็ไม่เที่ยง ฟุงฟ่านก็ไม่เที no. ja ่ยงเกิดลำดับอย่าไปทำอย่างนั้นเนาออย่าไปทำให้มันนิ่งครปล่อยมันปล่อยให้มันทำงานไปนะล่อยรู้ทันไปเรื่อยมาจากไหนคนนั้นไม่เคยมาคุณชื่ออะไรหมอมาด้กัน เอา้ารู้ฝิดวัดทำมงคลเหลือละนะลืมกับท่านหายใจใช่ไหมหายใจเป็นยังเออหายใจไม่เป็นตายไปตั้งแต่เกิดเลยบางคนมาถามมาสมานะจะเดินจงกลมอยากเดินรงกลมจะเดินท่าไหนดีอา้าวพ่อแม่สอนเดินท่าไหนก็เดินท่านั้นแหละจะเดินแล้วรู้สึกตัวไว้แต่อย่าเดินใจลอย ที่เราเห็นพระชอบเดินกลับไปกลับมาทําไมต้องเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาไม่ได sure ้แปลว่าเดินจงกลมนะที่ท่านต้องเดินกลับไปกลับมาเพราะว่าจะได้ไม่เดินเลยออกไปนอกวัดนะเลแที่มันแคบก็เดินกลับไปกลับมาส่วนพวกเราเดินไปทําธุระอะไรเนี่ยรู้สึกตัวไปเลยเรียกว่าเดินตรงกลมหมดเลยเดินไปตลาดน ทุกย่างก้าวก็คอยรู้สึกตัวี่เรียกว่าเดินจงกลมแล้วเดินกลับไปกลับมาทั้งคืนเลยเผลอทั้งคืนเลยนะเรียกไม่เรียกว่าปฏิบัติหรอก